สรุปให้สั้นที่สุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่คิดไปติดลาบยศสนสนุขไม่ใช่คิดเห็นทุกเราก็คิดดับทุกพูดรู้ทุกแล้วก็พูดดับทุกทำทางการทางกายก็เพื่อรู้ทุกเราก็ดับทุกแค่นั้นเองฟังจับอจุดจดได้ทีนี้หน้าที่หกนะนับตั้งแต่ข้อภาษาบาลี ข, ข้อข้างล่างขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ แถวที่สี่นะหนาที่หกนับทั้งล่างขึ้นมาภาษาบาลีนะโลกุตโลโยจัตถะทีปโนไม่มีปะนะทีปโนตัวนี้แปลว่าเกาะแปลว่าพ่านิพ่านแปลว่ากุโรกุตระถ้าปัจจีปโนนั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าปัญญานส่วนผิดกันอยู่เรื่อยเลยเพิ่มปะเข้าไปตัวนี้ยไม่มีปะทีปะแปลว่าเกาะแปลว่าพ่านิพ่านแปลว่กุตรกุตรมทำถ้าปัจจีปะปะขึ้นหน้าตัวหนึ่งนัแปลว่าแสงสว่างแปลว่าปัญญา สวดเิดกันอยู่เรื่อยเลยไม่รู้ความหมายอต้องรู้รู้ความหมายของบัญญัติรู้ความหมายของสมมุติที่ไหรู้วีมุติรู้สมมติจะได้จะได้วีมุติจะได้หลุดพ้นหระรู้สมมติแล้วก็รู้วีมุดของมันสวดเข้าใจเพียอยู่กคำบางคำต้องรู้อย่างไปพุ่งอุัติเนี่ยอังวันสัมภารานานาปัสสาวะโยชน์ เป็นัล บ, บัตเล็กอัล บ, บัดน้อยอัล บ, บัตใหญ่อัล บ, บัตที่โป่งได้เขาศัพบ์ก็แปลเขามีแปลให้เรียบร้อยแนตะ่สินทรัพไม่มีแปลเพราะไม่แปลก็ไม่รู้เรื่องว่าสําอะไรคกฤตสามิสํารวมสํารวมกายพาษิตธิสามิสัมรวมวาจาจินใยสามิสัมรวมใจต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสํารวมกายวาจาใจให้ดีต่อไปไม่ให้ผิดอีกต่อไปพระกระสาทุดีแล้วอัอ บ, บัตอ บ, บัตมันผิดผิดสินเนี่ย พวกเราเนี่ยซือสินผิดอยู่ข้อหนึ่งข้อรักของเขาขโมยของเขาผิดทุกคนเลยเนี่ยพระก็ผิดเพราะอะไรไปรักไปขโมยไปตู่เอากายกับใจว่าเป็นตัวกูของกู ต, งตัวตนของตนเกายเป็นรูปธรรมใจเป็นนมามธรรมตัวกูตัวกูตัวฉันตัวไข่ตัวข้าพเจ้าอยู่ น, นั่นแหละตู่เอายอยู่นั่นแหละขโมยอยู่ น, นั่นแหละนี่ยังผิดสินอยู่นี่ซือสินไม่บริสุทธิ์นึกขึ้นม า, มา k, อะไรก็รูปนาม รูปชาต์นามชาติรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราเนี่อย่างนี้แต่ก่อนก่อนจะพูดสมมุตินะใ่ไหมให้รู้วิมุตต์ตั้งแต่ก่อนอรูปทีปะกว่านรูโลกุสละก่อนให้รู้แตก่อนปัญญามันจะพาพูดพาชิดพาธรมเองใช่นี่เราไม่รู้ต้นกําเนิดของพันธุ์พนันต้นทางมันก็เห็นกายกับใจเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่เห็นตัวนี้ก่อนะมุเถียนเน่นตัวนี้ได้ต้นทางนี่รูป ยกมือขึ้นมือที่มันยกเนี่ยรูปมันเคลื่อนไหวอยู่รูปประทับเคลื่อนไหวกายจะทำกายจะธาตุรูปประทับรูปธาตุกายธรรมะใจธรรมะมันกําลังเคลื่อนไหวอยู่ใจเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปรู้สึกเนี่ยคือน้ํามาทํามันก็เคลื่อนไหวรูปก็เคลื่อนไหวน้าก็เคลื่อนไหวกายก็เคลื่อนไหวใจก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเสร็จแล้วมันก็หยุดเพอหยุดปั๊บก็เคลื่อนอีกเลยอาการเคลื่อนไหวดับไปอาการหยุดก็ดับไปพอยกปั๊บ อาการหยุดก็หายไปพอหยุดปั๊บอาการเคลื่อนไหวก็หายไปอันนี้เขาเรียกว่าเห็นเกิดดับเห็นพระไตรลักษณ์เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาของรูปนามเห็นที่นี่เห็นที่ใจเห็นที่ความรู้สึกเห็นที่นี่เห็นที่นี่เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอเห็นพรุ่นี้เมื่อวานนี้ไม่ใช่เสียงเสียงชัดที่สุดนันที่พระอัญญาคนตัญญะท่านรู้คำมะข้อแดกยังกินจิสมุทิยะธรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมปติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาที่อนิจจาวัสกีนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งกายสิ่งใจสิ่งรูปสิ่งนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่าทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับคือพันิพาณไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการดับมีอยู่เป็นอนันตการเป็นความว่างจากทุกข์ว่างจากกลวจากลงอยู่ มีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความไม่ทุกข์อยู่เป็นประจําเลยนั่นแหะไม่รู้เกิดเมื่อไรไม่มีการเกิดไม่มีการดับทรงอยู่อย่างนั้นเป็นอนันตการเป็นเป็นเป็นนิจการไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรปุ่มแต่งไม่ได้ก็เรียกพระนิพพานที่ใจของเราเวลารู้สึกรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆเนาะไม่มีดีใจไม่มีเสียใจละความพอใจและไม่พอใจในโลกเสียได้นั่นเอง ไอ้พอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นแล้วเกิดความพอใจเกิดความพอใจก็ความพอใจก็เกิดดับไปเกิดความไม่พอใจความไม่พอใจก็ดับไปนั่นนะถ้าไปดูไปเห็นมาโอ้ก็ได้เห็นพระไตรลักษณ์เห็นธรรมะเห็นพระอนิจจังพระทุกขังพระอนาตาธรรมะอนิจจังธรรมะทุกขังธรรมะอนาตาธรรมะสังขารธรรมะภูมิใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปนี่เห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมพระยังกินเจสมุทยะธรรมบงสัพพันตังนีโรสธรรมปติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปธรรมดา มันเกิดต้องดับกายเกิดก็กายดับใจเกิดก็กายดับหัวเราะเกิดหัวเราะก็ดับร้องไห้เกิดร้องห้ากระดับดีใจเกิดดีใจก็ดับเสียใจเกิดเสียใจก็ดับเนี่ยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปให้เห็นอันนี้จังทุกครั้งในตาโอทุกสิ่งนี้เป็นธรรมะธรรมะอันิีจังธรรมชาติอันนี้จังธรรมชาติทุกครั้งธรรมชาติอะไรตาให้เห็นที่กายที่ใจเนยเห็นที่นี่ก่อนนะเพราะมันจุนี้มันมันใกล้ที่สุดกล้กับใจรูปกับนามมันอยู่ด้วยกันให้เห็นตัวนี้เป็นธรรมชาติ มันมีทาตัดินของแข็งท่าทัน้ําของเหลวทาทัดลมอากาศทัดเคลื่อนไหวไปมาท่าทัไฟความร้อนลักษณะากาศคืออวกาศาตมันมีห้าทาต่มันมีเท่ากับไม่มีมันต้องมีวิญญาณท่าทัดรู้ขึ้นมาท่าทัรู้พราไม่รู้ไอ้ทาตัรู้ไอ้แสนโง่ตัวเนี้ก็เรียกตัวอวิชามันเลยไปยึดเอาดินน้ําลมไฟอากาศา่าวิญญาณา่าเพราะเป็นตัวกูของกูเนี่ยตัวจังไรเนี่ยตัววิญญาณท่าเนี่ยเนี่ยลุงพ่อ ประสีสันพูดเลยไอตัวอภิจังไรก็คือความคิดนเองนะคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดรักคิดทั้งคิดยินดีคิดยนไลคิดว่าตัวกูของกูเนี่ยเนี่ยตัวอัปภิจังไรตัวบาปตัวบาปที่สุดก็ตัวอภิชาเองนี่ยตัวเนี้ยให้เห็นตัวบาปตัวชั่วตัวโง่ตัวธรรมะไฟก่อทุกข์ก็คือตัวนี้เองตัวหลงนี่เองหลวงพ่อเกษรพูดสั้นๆหลงกับรู้ทีนี้พอหลงก็รู้ว่าหลงเนี่ยคือไปรู้แล้วไม่รู้อะไรก็รู้ว่ามันไม่รู้อะไรเนี่ย ค, คือตัวรูแ้แหละไอตัวไอจตัวที่รู้เนี่ยมันจะไปดับดับตัวปุงแต่งตัวนั้นปุงแต่งตัวความคิดเห็นความคิดความคิดจะหยุดไปไปเห็นคําพูดแล้วควาพูดก็แบทีนี้พูดมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดดีหรือพูดดีพูดเพื่อดับทุกหรือเปล่าเนี่ยถ้าพูดกิเลสตัณหาพูดให้ทุกเดี๋ยวมันจะดับเนี่ยสติจะสั่งให้อยู่พูดเชยรกล้กับหม่ง ก, กั น, กนถ้าร่างกายมันเคลื่อนไหวมันทําอะไรข้างกายกินเล้าสูบูรีเล่นการพนันอะไรงีใช้มือจับ หยุดตัวเสด็จมันจะสั่งให้หยุดดับทุกข์ดับทุกข์ให้กายดับทุกข์ให้ปากดับทุกข์ให้ใจสิ่งที่เอามาดับทุกข์นั้นต้องได้มาโดยความสุจริตไม่ได้ไม่ตูไม่ได้โกงใครมาแต่พวกเรายังผิดศีลอยู่ข้อหนึ่งก็กายกับใจเดินยืนขึ้นยืนเดินนั่งนอนกูยืนกูเดินกูนั่งกูนอนกูคิดกูพูดกูทำอะไรกูกินกูขี่กูเยี่ยวเห็นไหมเอาไปโกงเอาไปตูเอาขี่มาเป็นตัวตน ขี้เหงื่อขี้ไขรขี้หูขี้ตาขี้ตูดขี้เยี่ยวอะไนไปเป็นฮองกู้หมดเลยนะเสร็จแล้วย่งขี้ใจขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้โมโหขี้ยิงขี้โง่ขี้อวดอะไรนี้ไยึดเอาขี้ทางใจมาเป็นตัวเอเนี่เขาเรียกว่าโง่ขนาดไหนขี้มันแสนสกกระปงมาเข้าเสื้อผ้าจีวรมาถูกเข้ากับกายอันนออยุปนิสแล้วอาหารกินเข้าไปเขาเรียกว่ข้าวทายออกมาเขาเรียกคอสทะเีไม่โทขี้เนี่ยใช่ไหม มันกลับก็อยู่ในงานเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยก็บสปกปรกข้อเหงื่อใครเดินมาถูกเขายากเส้าโรค ก, กินเข้าไปก็กลายเป็นขี้เป็นเยื่ยวเป็นเงื่อนออกมาเห็นไหมเก็บอกของสกปรกอยู่เป็นนิดเนี่ยทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเราล้างหน้าแปรงฟันก็เพื่ออะไรทํำลายความสปกปรกนั่นเอดับทุกข์นี่มีหน้าที่รู้ทุกข์ได้กระดับทุกข์เห็นไหมอยู่ข้าวพิทุกข์เอาข้าวให้กินดับทุกข์ข้าวที่หามาได้อยาลักยาขโมยยาพ่นใครมากินยาโกงให้มากินต้องหายสุดจริต นี่แลแล้วก็รู้เนี่ยทีนี้ก็คือบริหารสติปัญญาสัวปัญญาเนี่ยเข้าไปบริหารความคิดทัดนรู้บริหารปากวาจาวาจานี่อยู่กับอยู่กับรูปกับกายเหมือนกันบริหารมือบริหารเท้านี่บริหารกายบริหารใจบริหารรูปบริหารนามให้มันไปเป็นไปเพื่อรู้ทุกข์แกกระดับทุกข์นี่มีหน้าทีแค่นี้เองที่เราไม่รู้จักบริหารคิดเรามายาแ่งการพนัน กินกินยาบ้าเนี่ยบริหารไม่เป็นนะบริหารไม่เป็นก็ทุกต่อมาทีนี้จะพูดกับพูดแต่คํากหกคาไม่จริงคําหยาบคําส่อเสียคําเพ้อเจ้ออะไรตโนธขนองเนี่ยบริหารการพูดไม่เป็นนะบริหารไม่เป็นการกินกับบริหารไม่เป็นการพูดกับบริหารไม่มือก็บริหารไม่เป็นจับก้าวแล้วจับไถ่เรื่องการพนันตบตีรักของเขาเนี่ยบริหารไม่เป็นเท้ากับบริหารไม่เป็นเป็นเต้นเต้นดิสโก้เส้นอะไรนะเดินไปรักของเขาเดินไปเที่ยวเนี่ยบริหารเท้าก็ไม่เป็น บริหารรูปไม่เป็นใช่ไหมทีนี้ใจก็เหมือนกันไม่คิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดว่าตัวกูของกูอย่างนั้นก็บริหารไม่เป็นเอาออกไม่เป็นนะนี่ก็เรียกว่าเป็นนักบริหารนะบริหารสรรมารูปธรรมากายนะี่แหละให้มันให้มันรู้จากทุกแล้วก็ดับทุกให้มันนะกายบริหารเท่าไหร่ก็เพี้ยนสงบนะครงงับชั่วข้าวแค่ไหนไม่ไม่ไม่เด็ดขาดแต่ท่างใจนี่ถ้ารู้แล้วมันจะเด็ดขาดมันจะค่อยลดลงลดล ง, ลงแล้วก็หายไปเลยความโลภความโกรธความหลง กามาตัญหาความเจยานอยากในของ น, านา่ารนะักน่าไข่น่าพอใจความกำหนัดยินดีในเลือกรูปสวยๆเสียงเพาะๆกลิ่นหอมๆอรสอร่อยกายสัมผัสนุ่มนิ่มสัมผัสเพศตรงกันข้ามเนี่ยมีความกำหนัดและไข่นั้นจะบริหารให้หลุดออกไปไม่ให้ติดนี่บริหารละสัญหาการมาตัญหาเพราะว่าตัญหาอยากให้จิตใจวิญญเที่ยงจิตใจวิญญาณเชี่ยงแท้สาวรลร่างกายเชี่ยงแท้สาวรสวยสดงด า, ามเสมอจะ จะเน่าจะบูดจะแก่จะเจ็บจะตายหนาเนะ่ยใช่ไหมนี่บริหารทีนี้บริหารไม่ได้อย่างบริหารได้แต่ปล่อยวางมันเป็นอะไรช่างหัวมั่น่ะมันจะแก่ก็เรื่องของมันมันจะเจ็บก็เรื่องของ ม, มันจะตายก็เรื่องของมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกครังอนิตาพระไตรลักษณ์เห็นไหมเพียงแต่กำหนดรู้เฉยแต่วัตถิละก็คือทางใจนะละกายมาตัญหาละพะวะตัญหาละวิภวะตัญหาตัญหาไปว่าความทยานอยากทยานอยาก ในความใคร่ความกําหนัดพยานอยากในความเที่ยงแท้สาวรอยากมีอยากเป็นพยานอยากในความอยากไม่มีไม่เป็นเนี่ยตัวตนเราเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะอยากให้มันหายอยากให้มันหายมันมีตัวตนที่ไหนตัวตนไม่มีก็ยังไปหลงว่ายึเป็นตัวตนอยู่เนไหมหลงยึดว่าความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เป็นตัวตนความสุขเป็นตัวตนความดีใจเป็นตัวตนเนี่ยไปยึดตรงเนี้ยทีจริงมันไม่ใช่ตัวตนอยากให้ตัวตนนี่ ตัวตนโลบตัวตนกดตัวตนหลงตัวนทุกหายไปนะ้วนไม่ใช่ความโลภความกดความหลงมันเป็นกิริยามันเป็นอาการของธรรมะฝ่ายอนิจจังทุกขังาตาเพราะคำเขียนพูดคําว่าอาการถูกต้องเลยอาการก็คือกิริยาทีนี้พระอรหันต์ทําอะไรไม่มีไม่มีเจตนาไม่มีกรรมมีแต่กิริยาจะจะพูดจะเทศจะสอนคน เ, เนี่ยนะปัญญาภาธรรมนะปัญญาตัวคนทุกขนะ์พระนิพพานพาธรรม พระนิพพานคือความพ้นทุกข์ภาธรรมภาสอนภาพูดพระคิดพระี่เรียกว่าปัญญาจิตสิกปัญญาก็คือตัวความรอบรู้ความฉลาดยรู้ทันสังขารไม่เที่ยงจิตสิกคือสิ่งที่เกิดกับจิตพร้อมกับจิตนั่นเปัญญาความรู้มันเกิดกับจิตเกิดกับจิตดับับบกตั้งอยู่พร้อมกับจิตดับไปพร้อมกับจิตนี <c oughs> ก็เรียกว่าวปัญญาจิตสิกเขาเรียกพูดว่าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรสําเร็จพระาหัน์พระพรุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย ไปพูดถึงสมมติที่น่ยความจริงก็แล้ว ก, ก, ก็ปัญญาเจตสิกเท่านั้นที่ตัดสู้ปัญญาเจตสิกที่มีสมมติว่าบุคลาสาิีบุตรเท่านั้นที่สำเร็จมากุลนิพพานคือตัวปัญญานี่คือตัวสติสัพชัญญาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวปัญญานะรู้รอบขึ้นมาแล้วก็ว เ, เห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังนัสตาก็วางตามธรรมชาติอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองนะวางก็จะปล่อยวางไปมาหลุดพ้นตรงวัเทียนต่อไม่ติดตัดขาดอันเดียวกันหลุดพ้นปล่อยวาง ทิ้งนะตอนไม่ติดนะไม่ติดวิมุตต์หลุดพ้นนะอันนี้ยอันเดียวกันคือจิตไม่ใจไม่ติดอารมณ์อารมณ์ดีก็ไม่ติดมันอารมณ์ชั่วอารมณ์ร้ายก็มติมา่ติดมันอารมณ์สุขก็มาติดมันอารมณ์ทุกข์ก็มาติดมันมันเฉยอยู่ที่เราฝึกทุกวันรู้อะไรรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยรู้บปล่เปล่ารู้ปกติรู้ล้วนลวนรู้บริสุทธิ์เนี่ยรู้ไม่ยึดไม่ถือเนี่ยตัวนี้แหละไปต้องกัสามภพเทียนก็ตัดขาดรู้ไม่ติดตัวนี้เองคือตัวพระนิพพานนะ ปกติจิตปกตินะผิดปกติก็ผิดปกติไปดีใจไปเสียใจไปรักไปชังนผิดปกติแ ล, ormal, ล้วแอบนอร์มอลนะนอร์มอลฤทธที่ทีเขาแปลก็ปกติก็คือกระทบอะไรมันเฉย อ, อยู่นะไม่มีเกิดความรักความชามังกันดีๆไร้ความติความชมสรรเสริญนิทานมันไม่เกิดขึ้นในใจนะมันเฉยอยู่นะนั่นก็คือความว่างจากโรภว่างจากโกรธว่างจากหลงว่างจากดีใจว่างจากเสียใจว่างจากรักว่างจากชังว่างจากติว่างจากชมมันมีอยู่แล้วนะแต่มันเกิดขึ้นเพราะ ความหลงเนี่ยไปปรุงแต่งขึ้นมาตัวอวิชาความโง่เนะี่ยไปปรุงแต่งขึ้นมาคือความคิดนั่นเองไปปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราจึงให้เห็นความคิดเนี่ยคิดดีก็เห็นมันคิดชั่วก็เห็มันคิดผิดคิดถูกยังไงก็เห็นมันเพื่อไปดับต้นเหตุเก่อนนะไปเห็นคือตัวเขาไปรู้ไปดูไปเห็นเขาเรียกตัวโพชิ Flag, ขเขาเรียกตัวสัสรู้นะพุทธะไปพอรู้ใจรู้ใจตือนเบิบานไปเห็นอะไร ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราไปเห็นมันเกิดมันดับเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเห็นมันไม่เที่ยงกใจโอ้ฉลาดรู้ทั้งก็ตื่นขึ้นรู้แบบตื่นรู้แบบรู้รูปแบบตื่นรู้แล้วใจเบิกบานรู้แบบไม่ทุกข์นั่นเองรู้แบบใจไม่มีทุกข์นั่นแหละตัวรู้ตัวนี้ก็เรียกตัวตัดสรู้ตัวโพธิภาษาบาลีก็ตัโพธิภาษาไทยก็ตัดสรู้ตัดสรู้กัดสรจ้จัดสรู้คำเดียวกันจรัดรู้ก็รู้อย่างแจ่มแจ้ง ตัดสรูก็รู้อย่างแจ่มแจ้งตัดสรูก็รู้อย่างแจ่มแจ้งรู้จริงรู้อะไรก็รู้พสติกรรมของกายว่ า, จาใจใจเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรรู้ว่าอันนี้จังไม่เที่ยงเนอะทุกขังทนอยู่ไม่ได้ทนยากทนลำบากเสร็จแล้วก็ดับไปอนาตตาแปรปวนวนเละไหลไม่ควรยึดมั่นถือมันเป็นตัวต น, นมันไม่เที่ยงแทรถาวรอะไรไม่เป็นไปตำจากศาสนาอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าทุกข์มันก็ทุกข์มันเป็นกิริยาเป็นอาการของมันเป็นเชนนั้น สรงขานปรุงแต่งต้องเป็นอย่างนั้นให้รู้ตามที่เป็นจริงรู้จริงตามที่มันเป็นจริงเนี่ยแหละมันจะทําให้จิตใจพ้นทุกข์นะแล้วมันจะไม่ยึดถือนี่ก็ฝึกตัวรู้เนี่ยที่เราฝึกทุกวันเนี่ยทำต้องที่สุดเลยนะไม่อ้อมค้อมอย่างอื่นเขายังไปอ้อมค้อมไปดูเพ่งดูสีเพ่งดูอกสินินนะนะเพลงดูอากาศว่างวิญญาณไม่มีที่สุดอะไรความว่างมันมีที่สุดสัญญามีก็ไม่ใช่สัญญามไ ม, ญญามีก็ไม่ใช่เพ่งเป็นเพ่งศิลป์ก็เพ่งอันหนึ่งเขาเรียกว่าเพ่งสี เพ่งบรรณะเพ่งสีก็เรื่อสีนี่สวยงามเนาะสีสวยงามเพ่งสวยงามเพ่งปฏิเสสวยงามเพ่งสวยงามเพ่งสวยงามสวยงามดิดอิดบิทีฟูดดิดอิดบิทีฟูดนี่สวยงามนี่สวยงามเพ่งสีบรงเค น, นะสีเนี่เพ่งก็ไปตัวนั้นเพ่งเข้าไปทำให้ติดรูปราคะคือมีความกําหนัดในรูปที่สวยอะรูปราคะก็ไม่เมลามันเกิดขึ้นมาอ่าอย่างปิติยินดีสุขใจหนมันไม่มันไม่มีรูป มันเป็นธาตุรูเ้เฉยนี่ก็อย่าไปราคา่าอย่าไปกําหนดในมันออปิติเกิดขึ้นมาไปติดใจในปิตินะครับเขาเรียกว่าลมวิเศษเียกว่าอารูปลาคาะมีอารมณ์ทํามอารมณ์ฝ่ายฝ่ายสุขไปดีเป็นอารมณ์นักสิต้องไม่ติตอารมณ์ดีขนาดไหนก็ไม่จิดสุขขนาดไหนก็ไม่ติดเขายกยอสาเสวนขนาดไหนก็ไม่ติตอารมณ์ฝ่ายดีต่อไม่ติดอารมณ์ฝ่ายชั่วฝ่ายอยากฝ่ายทุกข์เรามันละง่ายกว่า ได้อารมณ์ฝ่ายสุขอารมณ์ฝ่ายดีอารมณ์ฝ่ายสงบนำมาไลายากกว่าเพราะงั้นเขาจึงบอกว่าละราคะจึงละโทสะได้พระอนาคามีนะละราคะละการได้เสร็จแล้วขั้นสุดท้ายก็ละโทสะได้ด้วยพระอนาคามีแต่ยังละอัตามตัวตนขั้นสุดท้ายก็เลยะมานะอุทจจาวิอวิชาระสังยสดสามขั้นตอนสุดท้ายยังไม่ได้มานะก็ถือว่าตัวนี้ดีครับ ถือว่าตัวดีกว่าเขาถือว่าดีกว่าเขาดีกว่าเขาถือว่าเสมอเขาดีกว่าเขาเร็วกว่าเขาถือว่าเร็วกว่าเขาเสมอเขาถือว่าเสมอเขาเสมอเขาถือว่าเร็วกว่าเขาเสมอเขาถือว่าเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเขาถือว่าเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเขาถือว่าเสมอเขาเร็วกว่าเขาถือว่าเร็วกว่าเขาก็คือกายวาจายใจนี่เองมันมันยึดนะยึดที่ไหนทีนี้พระพระโมคกัลลพระไออาณาคามีกัน โอ้การละกามได้กับละโซสานเนี่ยดีจริงนอนยังยิดตัวดีเป็นตัวตนอยู่เข้าใจไหมนี่ตรงละตัวนี้เองฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตัวนี้ไม่ได้ฟุ้งซ่านเพราะความโลภความโกงความหลงฟุ้งซ่านด้วยปิจิฟุ้งซ่านด้วยความดีดีใจนี่ต้องอุทจักกุทจัก็ตรงละตัวนี้เองละตัวฟุ้งซ่านในฝ่ายดีต่อมาอ็ละอภิชาคือความหลงเลยหลงว่าปิจิเป็นตัวตนหลงมาอำนาความถือดีตัวตนว่าเป็นตัวตนละตัวนี้เสร็จเลละตัวอภิชา อภิชาเป็นต้นเหตุตัววโง่ตัวบัดซบตัวปุ้งแต่งเนี่ยตัวตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาก็เรียกตัวอวิชาภาษาอังกฤษก็เรียกเอ็กซ์โนเรนเรดิลูชั่แต่ตัวโง่ตัวหลมพูดภาษาแล้วก็ตัวฟุลดิสโง่สติลปิดโง่บัดซบเลยนั่นแหละโง่บัดซบโง่ซื่อซ่าเลยใช่ไหโง่โง่นี่คือทําให้เกิดทุกข์นั่นเองตัวโง่ทําให้เกิดทุกข์ฟงฟอเซนตัวลกคือตัวบุญตัวพ้นทุกข์ ตัวโง่ตัวหลงคือตัวบาปตัวก่อทุกข์เอง่นนะบาปคืออะไบาปคือทุกข์กันนะทุกข์บุญคือไะไบุญคือไม่ทุกข์พุนคนะือนทุกข์ไงเราทําอะไรก็พ้นทุกข์อย่างเรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะเนี่ยไปหวงไปห่วงมาอยู่มันจิดเป็นอยู่นะ่ะเนี่ยจิตเป็นอยู่ทีนี้เราบริจาคทานซะให้ไปซะจะไม่ไไหวงไปห่วงมาจะเอาไปทําประโยชน์ซะเนี่ยนั่นก็คือไม่ติดมันน่ะคือพ้พนทุกข์เพราะการหวงกันห่วงเองบริจาคไปซะให้ทำประโยชน์ไปเสีนะ อ่าหลวงพ่อหน้ที่เนี่ยมันรืมตัวสัญญาไม่เที่ยงสัญญาความจําไม่เที่ยงอะจําไม่เที่ยงพกเงินอยู่นี่สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทเอาวางไว้ตรงไหนลืมลืมเลยหาไม่เห็นตั้งสองวันสาวันข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาอาจารย์ต้องส้นบอกว่าจะตั้งบุนิธิให้นักบวชหญิงนักบวช พ, พระชายเนี่ยพวกที่บวชไม่ซึบปฏิบัติธรรมเนี่ย เจ็บไข้เด็ป่วยีมีค้อจะเป็นอะไรใช่ไหมลุงพ่อก็เลยบริจาคไปบริจากไปหมื่นหะนึ่งนี่แหะถ้ า, ถ า, าเาันเหลืออีก3ามพันห้าบาทก็บริจาคไปหนึ่งหมืสาพันหบาทมียมคนหนึ่งถูกหัวตีข้อศอกหัวเขียวหมดเลยเทำยังไงดีเงนมาปรึกษาให้ถอดเคาะให้ใหไวลุงพ่อก็เอาบวชซะงอ้นให้ไปสองพันบาท ใ, ให้ไปสอง0บาทอีกคนหนึ่งมาด้วยเอา มาขอโก ร, ราบหลวงพ่อขอเลิกตั้งงานยามดีแต่ตั้งร้านอาหารให้ไปสองพันบาทอีกคนหนึ่งมาพาเขามาพาเขามาให้สะดอกคอต่อชะตาให้เอาเอาไปอีกสองพันบาทเป็นหกพันบาทเ่ยหก0ันบาทเราวไม่ชีไม่ ช, มชีนั่นบวช อ, อะไรไม่ชีดวงจันทร์บวชให้ไปพันห้าแล้วก็ให้พระที่มาอยู่เก็บอารมณ์คนละห้าร้อยห้าร้อยสามสิหมดเลยทั้งหมดหมดไปสองหมื่นสี่พันบาท เพราะอีกสามพันกว่าบาทไ ด, ดดาได้มาจากการไปสอนเด็กที่น่นที่โน่นที่ท่ามฝายหวานวัดป่าภูเขาทองก็พาไปสอนแล้วก็โยมส่งไปกรุงเทพหนึ่งพันบาทมาให้แจกหมดเลยเสร็จแล้วคณะที่มาจากกรุงเทพโยมให้500ร้อยบาทอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งให้ร้อยบาทเป็นห600้อบาทแจกทําบุญไปแล้วสี่รอยบาทยังเหลือติดตัวอยู่สองอบาท <c oughs> เอา้าใครอยากได้มีตัวจําเป็นจะให้เหมือนกันอ สองบาทติดตัวอยู่นี่แหละก็เรียกว่าความหวงความห่วงมันเป็นทุกข์ใช่ไความลืมก็เป็นทุกข์นช่ไหมเลยมันอยากลืมนะเจ็บไม่ได้จากมันไปเลยหมดเรื่องเลยทีนี้นทีนี้นลืมก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมจำได้ก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีแล้วมันให้อะไแเนี่ยรักทุกข์มีหน้าชี้รู้ทุกข์ได้กระดับทุกข์แค่นั้นเองที่เราเกิดมาเนี่ยมนุษย์หัวสูงปัญญาสูงความคิดสูงอย่างเนี้ยความสามารถพันสูงเนี่ยธรรมชาติสร้างให้เกิดมาเพื่อให้รู้จากธรรมชาติเนี่ย ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุโลกนี่จักรวาลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปนะให้รู้อย่างนี้ให้รู้อนิจจังรู้ทุกขังละตาแล้วก็รู้ออกจากทุกอย่างนี้นี่สร้างขึ้นมาสร้างมนุษย์เนี่ยสัตว์อื่นเป็ดไก่เนี่ยหัวมันต่ําำหัวมันติดดินจิกอาหารกินอะไรต่างหัวมันต่ําปัญญามันต่าความคิดมันต่ําเวลาเวลามันจะขี้หัวควายมันขี้นะมันยกหางขึ้นใช่ไหมตูดมันอยู่สูงกว่าหัวมันดีหัวมันติดดินใช่ไหม รู้ขี้รู้เย vagy, ี่ยวเหมือนสกปรกนะแสดงว่ามันโง่พวกนี้ไม่สามารถตัดสรุรได้พวกที่ตัดสรู้ลพ้นทุกได้ก็คือมนุษย์มณะไปไวาใจอุตสยะห์ไปประสูงมณนะบวกอุตส่าห์ไปว่ามนุษย์ไปผู้มีจิตใจสูงความคิดสูงปัญญาสูงความสามารถสูงสูงอะไรสูงเพื่อจะรู้ทุกได้กระดับทุกแค่นั้นเองธรรมาชาติสร้างมาอย่างนี้นจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็สมมติผู้ชายก็สมมติที่จริงกรูปนามเหมือนกันผู้หญิงกรูปนามผู้ชายกรูปนามพระกรูปนาม แสงใจชีก็นคนตกนรกก็รูปน้าแต่รูปน้ำตกนรกรูปน้ำเป็นทุกข์รูปน้ํามไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นเองถ้ารูปน้ำอันใดมีสติมีปัญญาไมีสมรเชนยะรูปน้านั้นก็พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆจน ก, กระทั่งดับทุกเด็ดขาดแค่นั้นเองอแค่นั้นไม่มีอะไรต่างกับนั่นเลยเป็นอันเดียวกันทุกวันนี้เรามีความสามัคคีกันสามัคคียังไงสามัคคีเกิดสามคีแก่สามัีเจ็บสามัีตายเหมือนกันเปรียบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลย มีตาหูจมูกเลี้ยงไกใจมีรูปเสียงกินรสผดสะพาัดกระทบเหมือนกันใช่นีทีนี้คนไม่มีสติปัญญารูปเสียงกินรสผัสะพัดที่ดีๆสียงงามกระทบตาหูจมูกเลี้ยงไกใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ไม่พอใจต่อไปแต่คนที่มีสติปัญญารูปเสียงกินรสผัสะพัดทอารมณ์ดีขนาดไหนกระทบใจก็เฉยเฉยใจก็เฉยเฉยชั่วไร้ทุกขณะแทบเพลิดขนาดไนกระทบก็เฉยนี่คือเฉยคือคนพ้นทุกข์คือไม่มีทุกข์ไม่ปรุงแต่งแต่คนที่ ไม่มีสติปัญญาได้ปรุงแต่งอะไรสวยๆงามๆน่ารักน่าใครนะ่าพอใจกระทบและดีใจชอบใจถูกใจอะไรที่มันชั่วๆเลยล้ามแสบเผ็ดขึ้นมามนกระทบหยาบคายขึ้นมากระทบไม่พอใจนี่ก็ต่างบอกให้ละความพอใจแล้วไม่พอใจในโลกเสียได้ที่สวดขึ้นมาคําสั้นๆนะโลกโลกคืออะไรโลกก็คือกายกับใจคือรูปกับนามเนี่นี่ปรุงแต่งโลกคําว่าโลกโล ก, กะแปลแปลว่ัทุกแปลว่าแปลวัต ของที่เกิดมาแล้วต้องแตกดับโลกะเนี่ยโรคเนี่ยของติดติดนี่แหละสัตวะแปลว่าติดแปลว่าข้องแปลว่าสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยสัตวะแปลว่าสัตว์แปลว่าติดแป่า้องติดอารมณ์อยู่น่ะติดอารมณ์อยู่นี่เราพูดกันน่ะพอพูดคำหยาบหน่อยนะมาติดสัตว์เงี้ยหมาติดเป้งเงี้ยนี่คําว่าสัตว์เนี่ยติดเนี่ยติดอารมณ์ติดอารมณ์ดีก็เป็นสัตว์ติดอารมณ์ร้ายก็เป็นสัตว์หลวงพเทียนติตัดขาดไม่ติดนั่นพ้นจากความเป็นสัตว์แล้วเข้าใจไหม อติดไม่ติดในตัดขาดในอารมณ์อารมณ์ดีขนาดนี้อารมณ์ทุกขนาดก็ไม่ติดตัดขาดอารมณ์ชั่วอารมณ์ร้ายอารมณ์ทุกขนาดติดตัดไม่ตัดขาดนั่นแหละก็เรียกว่าพ้นความเป็นสัตว์แล้วเข้าใจไหมแต่พวกเรายังติดอารมณ์ยังเป็นสัตว์ตวายอยู่เห็นไหมสัตว์ตวเดินไปเดินมาเห็นคนนั้นเดินคนนี้เดินคนนั้นมันเชื่ออะไรคนนี้เนี่ยกัยังเป็นสัตว์ตวยังติดอยู่ที่จริงรูปน้ำจะเป็นนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งดํานุ่งแดงอะไรก็แต่ ขี้ละขี้โมยขี้ขับ่อนอะไรก็จะก็รูปนามารูปนามดีมีสติปัญญารูปนามนั้นก็พ้นทุกสบายาต่อไปรูปนามนั้นไม่มีสติปัญญารูปนามนั้นก็ทุกต่อไปนะโง่ต่อไปแค่นั้นเองเนะี่ยให้รู้เข้าใจอย่างนี้จริงเราพูดกับตัวเองเราสอนตัวเองเราเทศตัวเองนะนะเปลี่ยนสัญญาให้มันเป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาความสัญชาตญาณความเจริญบอกว่าคนนั้นคนนี้ไงอคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ คนดีคนชั่วคนผิดคนถูกกันเลยอันเป็นสมมุติเป็นสัญญาความจําเปลี่ยนใหม่รูปน้ำรูปน้ำสอนตัวเองอยู่อย่างนี้อ่ารูปน้ำเดินรูปน้ำยืนรูปน้ำนั่งรูปน้ำนอนรูปน้ำกินอาหารอาหารก็รูปน้ำรูปกันแต่ไม่มีน้ำพวกอาหารพวกดินน้ําลมไฟอากาศจะธาตุนั้นมีแต่รูปไม่มีน้ำแต่รูปน้ำกายกับใจในมีรูปกับน้ำอยู่มดเนี่ยมีรูปกับน้ำแต่รูปกับน้ำนั้นยังคาเทียนแมงป่อง แม่งอดมันหล่นใส่ปุ๊บมันไม่ต่อยอ๋อรูปนามนี่ไม่มีกิเลสนะมันไม่มีโสสะนี่ที่ถ้าเห็นปุ๊บรูปนามนะอันนี้ก็รูปนามนะก็รูปนามถ้ารูปนามแตงป่องมันมีกิเลสมันก็ต่อยพวกเข้าไปนะรูปนามพวกงูเนี่ยกัดเนี่ยมันเผลอไปเหยียบมันเนียนหละสิ่งที่มีชีวิตนั่นเป็นรูปนามที่มีมีทั้งรูปทั้งนามสิ่งใดไม่มีชีวิตสิ่งนั้นมีแต่รูปอย่างเดียวอย่างก้อนหินอย่างเงี้ยรูปอย่างเดียวก็ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระอาทิตก็ต้องดับไปนะโลกนี้ก็ต้องแตกดับไปสักวันใดันที่มันแตกอยู่ทุกขณะนะแตกแต่เขาเรียกว่าความทีนะ่ะมันทียิบอยู่คำพูดเกิดขึ้นมาคําว่าณเนะีนะ่ยนณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ตัวใจตัวใจที่เขารับรู้นะ่ะมันดับสิบเจ็ดครั้งนะ่ะตัวจิตตัวรู้มันดับไวกว่าตัวรู้ถึงสิบ็ดครั้งนะ่ะสิบเจ็ดครั้งเราพูดคํา่าณตัวเดียวแต่เมื่อจิตใจที่เกิดรู้เกิดดับนะ่ะดับถึงสิบ็ดครั้ง ที่ภาษาทางอวิธรรมเขากำหนณไว้ที่พวกที่เขามีสมาธิลึกเขาจับได้เขาจับตัวตัวนามตัวรูปธาตุรูปมันเกิดดับโดยทึ้ง77็ดเครั้งพุ้ที่เจ้าจับได้อย่างนี้แต่พวกเราจับไม่ได้จับต้นกับปลายก็แล้วกันนะมันเกิดมันจะมันจะทีเย็บเกิดดับขนาดไหนเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไป zoom ให้รู้ว่าตัวมันดับขั้นสุดท้ายก็แล้วกันอย่างไฟนีออนปลอดโปร์งหรือเสนที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันเกิดดับ50ครั้งตวินาทีนะเขาเรียกไซเคิล เกิดดับอยู่นั่นแหละแต่เราไม่เห็นเลยเราเห็นตอนที่เปิดสวิตต์ดับเกิดขึ้นปิดสวิตต์ดับเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะเอาแค่นี้ก็พอนะพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยเกิดมาสม้งติเนี่ยเพื่อรู้ทุกได้กระดับทุกข์กันไม่ใช่รูปนามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่สับุคนสอนตัวเองอยู่เวลาเดินรูปนามเคลื่อนไหวรูปนามอันนี้จังเคลื่อนไหวรูปนามอันนี้จังทุกขังอนาตากาลังเคลื่อนไหวอยู่กําลังพูดอยู่กําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กำลังทําอะไรอยู่เนย พูดสอนตัวเองอยู่เนี่ยให้มันออกจากสมมุติ อ, ออกภาษาภาษาคนภาษาโลกสียได้ให้เป็นภาษาปรารมัตเป็นภาษาธรรมอเป็นภาษาธรรมะไปซะนะความคิดในใจก็คือคําพูดในใจนั่นเองใจมันพูดอยู่นะ ม, มันคิดอยู่แนละ้วก็เรียกว่าพูดเสียถ้ามันออกปากก็เรียกว่าคําพูดนี่ะถ้าออกมือถทางกายก็เรียกว่าการกระทําทางกายไปนะกายมันพูดตนะบจีเขาอย่างเงี้ยเนี่ย ม, มันพูดมันแสดงอาการด้วยการคิด ทำลายให้นถ้ามันเอามือไปลูกคำคำไปไหวกันมันแสดงอาการสุภาพเรียบร้อยเข้าใจมั้ยมันก็พูดเหมือนกันพูดภาษาใบะร่างกายพูดภาษาใบปากพูดภาษาออกเสียงทีนี้ใจมันพูดเป็นความคิดออกมามันแสดงอาการออกมาอย่างนี้ทีนี้เราจะทํำยังไงเราจะให้มันใจมันพูดปากมันพูดมือมันพูดแบบเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์แค่นั้นมีหน้าที่ทำด้วยแค่นั้นเองนะ มีหน้าที่ทำอยู่แค่นั้นพวกเราเหมือนกันเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลบันทะบันประเสริฐะวันที่ทําใจให้เลิศกว่ารมทุกไม่ทุกโรคไม่โรคโกรธไม่โกรธหลงไม่หลงรักไม่รักชังไม่ชังทุกไม่ทุกนั่นนะเป็นแบบลมเสียงเป็นไม่เป็นเป็นแบบไม่เป็นเละเป็นทุกต้องไม่เป็นแตเปลี่ยนะมาเปลี่ยนะเป็นแบบเปลี่ยนเห็นทุกไม่ทุกเว้ยเห็นสุขไม่สุขเว้ยเห็นเฉยเฉไม่มีตัวตนเป็นผู้ทุกไม่มีตัวตนเป็นผู้สุข เขาไปรู้เขาไปดูเขาไปเห็นเฉยๆเนี่ยสัมพูดสั้นนะสั้นแล้วกินใจสิเนี่ยแต่ว่าทําใจได้ไหมเราต้องทาใจพูดได้แต่ว่าทําใจให้ได้พยายามทําใจให้ได้พยายามสอนตัวเองให้ได้อสอนตัวเองให้ไดเขาได้สอนตนเขาเรียกว่าวจัดสตาความบ้านนอนสอนง่ายนั่นแหละสอนให้กดก็จะโกดธสิสอนให้โลภก็จะโลภสิมาเตือนตัวเองเนี่ยเห็นแล้วความกดกระไม่กดไม่โกรธเนี่ยก็คือปฏิบัติเปลี่ยน เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนโลภเป็นไม่โลภเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนสุขเป็นไม่สุขยู่เนือสุขเนือทุกข์เนือดีเนือชั่วเนือบุญเนือบาปตัวเนี้เขาเรียกตัวหลุดพ้นต่อไม่จิตให้ทำอย่างนี้ทีนี้ก็ว่แผลไม่ตายเขาน่บอกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมเกิดสมรคีเกิดสมรคีแก่สมรคีเจ็บสมรคีตายโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์เถิดแผ่แค่นี้ก็พอจงเป็นสุขเป็นสุ กลับมาเป็น no ทุกข์อย yeah. okay. ู่ต้องสุขสุขที่พ้นทุกข์นี่แะนิ่พานังปลัดอมังสุขังนิ่พานิสุขอย่างยิ่งคือสุขที่พ้นทุกข์นั่นเองสุขที่เหนือสุขนั่นเองนี่แหละสุขแบบสุขแบบไม่สุขสุขแบบไม่เป็นสุขไม่เป็นผู้สุขเลยเป็นสักว่าสุขเฉยๆสักว่าทุกข์เฉยๆสักว่าข้าไปเห็นอาการของมันอาการของลูกของนามเป็นเช่นนั้นเองตัธตาทีนี้ก็สุญญตาสุญญตาแปลว่าง จากความหมายแห่งความเบญจนที่เราพวดเมื่อกี้นะจะนุ่งผ้าจะกินข้าวจะใส่เสนาธนะจะกินยารักษาโรคมาเข้ามาถูกเข้ากับไกด์อันเน่าอยู่ไป น, นี่เลยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวๆเราเขาเห็นไหมนั่นแหละก็พิจารณาขั้นปัญญาขั้นดุดพ้นเลยเห็นไหมปฏิสังขารโออชยชนอจฉะญาพิจารณาขั้นปัญญาขั้นสิ้นสมาธิปัญญาแต่ยะถาปฏิยังพิจารณาขั้นพันิพัณฑขั้นพ้นทุกขั้นต่อไม่จิตเลย ที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยตอนเมื่อกี้เนี่ยทีเนี่ให้ภูมิใจว่าหายหายตัวเสียหายตัวหายตนเสีมีแต่รูปกับนามอันนี้จังตัวคันตาแค่นี้เองสอนตัวเองให้หายตัวหายตัวหายตนหายตัวกูหายตัวมึงเสายตัวพูดตัวเมียเส่น่ะหายความเป็นเสเนี่ยแล้รูปนามรูปนามแค่นี่ยนี่ภาษาหายตัวเข้าใจไหมหายโลภหายโกรธหายหลงหายทุกเนี่ยคือว่าไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวยนย ทุกไม่ทุกเวยเนี่เป็นกรถาหายตัวหายโรกหายโกดหายลงหายทุกทนี่เ อ, า อ, อ้าหายยากยิ่งทลายพระที่สุดสมเที่บวชมาแล้วก็อยาให้เสียทีที่บวชมานีต้องให้มีสัญญาเปลี่ยนเป็นปัญญาเป็นรูปนํารูปทำนำําทำเว้ยอันนี้จังทุกครั้งเลยจ้าเว้ยนี่สอนตัวเองนะเกิดมาเพื่อความไม่ทุกโว้ยนี่พูดถาทูดให้ฟังนะเกิดมาเพื่อความไม่ทุกโว้ยคนในโลกนี้จะรบกันตายทั้งในทุนและความมรดก เราเอาคนเดียวก็ไม่ทุกเว้ยสนองไม่มีใครทําอาหารให้กินก็เก็บมาเดือ่อเก็บผลไม้รากไม้กินเองขันว่ า, ายอย่างนี้ตายก็ไม่ทุกเว้ยแก่ก็ไม่ทุกเว้ยเจ็บก็ไม่ทุกเว้ยตายก็ไม่ทุกเวอยเกิดมาเพื่อความไม่ทุกเว้วยเราคอ ย, ยจัดจุดาังเระภาพิสุสังเระตรงมีดวตาเห็นธรรมดับทุกเหมือนลวงผููคำเขียนเหมือนหลวงปู่เทียนเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเถินขอสิน้น